อาจารย์ครับการระมัดระวังครับผมดลพรคุณหมอแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยหกิบสองแล้วนะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เมื่อเช้าไปเมรุธบาร์คนเยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยยี่สิบสี่รอแต่เมื่อวานนี้เยอะหน่อยเมื่อวานนี้หกร้อยกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพระวันเสาร์ ครับผมอาจารย์เห็นช่วงไปหลายคนไปฟังธรรมน้ากุติเยอะเลยครับพอาจารย์วันนี้กประมาณสองร้อยสองร้อคนครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์าารยไม่ไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์ได้ทราบหรื อ, อยังครับว่าว่าว่าผมได้รับเลือกไปเป็นสอวอรครับพระอาจารย์ครับแสดงความยินดีด้วยไม่ต้อง <c oughs> ใช้เจติใช้ปัญญาสอนว่ามันเป็นของชั่วครามเ่ะครับ เป็นของนีิจจังมีจริโลงเสริมเป็นธรรมดาครับผมโลกธรรมครับพระอาจารย์ครับก็ก็เลยกราบขอปัญญาขอสติขอปัญญาพระอาจารย์เลยครับพระอาจารย์เลยตั้งเรื่องวันนี้ว่าเป็นเรื่องโลกธรรมครับกราบข อ, ขอความไม่ตาพระอาจารย์ครับผมก็นั้นแหละโลกธรรมก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือลาบยศสันลเสริญแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโพฏฐัพพะความสุขขยะรูปเสียงกงลิ่นรสโผฏฐัพพะ เป็นสิ่งที่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาเพราะเป็นความสุขที่เขารู้จักกันที่เขาหากันได้เพียงแต่ว่าความสุขอย่างนี้มันเป็นเหมือนเป็นกับดักอให้ไปติดอยู่ในหลุมของความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว<ม>เนื่องจากว่าราบยศนรสเสลและความสุขอย่างรูปเสียงเกินด้วนี้มันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเจริญก็มีเสื่อมได้เวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเพราะเวลามันเสื่อมมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้น ม, มันเป็นเหมือนยาเสพติดนะยาเสพติดเวลาเราได้เสกมันมันก็ทําให้เรามีความสุขพอเวลาเราขาดยาเสพติดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะรู้สึกเศร้าซ้อยเหงาหงอยหงุดเงิดขึ้นมานันทีนี่ก็คือแบบเดียวกันนะราบยศสรรเสริญ ความสุดจากรูปเสียงกลิ่นรถเังนั้นเราต้องคอยสอนใจเตือนใจเรื่อยๆว่ามันเป็นของชั่วเปล่ามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามันเป็นอนาัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มันเจริญอย่างเดียวไม่สามารถห้ามไม่ให้มันเสื่อมได้ก็อย่าไปยินดีกับมันจะและ้วกันทำไปเหมือนกับว่า ทำโดยที่เราก็ทำตามหน้าที่ทำคุณทำประโยชน์ไปโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระทำเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลไปเหมือนเราทำบุญไป้อเราทำแบบทำบุญเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเสียใจเวลาที่มันไม่มันจากเราไปเป็นข้าวของเงินทองเวลาเราทำบุญนี้เราจะไม่เสียดาย แต่เวลาเงินหายไปนี่เราจะเสียดายเพราะว่าเรายังมีความยึดติดในเงินทองอยู่ในวเวลาทำบุญ น, นี่เราปรารถนาที่อยากจะเสียเงินพออยากจะเสียเงินก็ไม่ได้รู้สึกที่จะเสียใจแต่อย่างใดเราก็ขอให้มองว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติของโลกนี้โล ก, กธรรมสี่ มาตัวเ ป, ปลา่าๆล้วมาตัวเ ป, ปลา่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัวเ ป, ปลา่าๆไปไม่เอาอะไรติดตัวไปนอกจากบุญกับบาปที่เราทําเัินที่เราสามารถเราติดตัวไปได้ไมนมาทําบุญกันหน้านที่สวอว่าก็ดีเราจได้ทําบุญทำประโยชน์ให้กับสังคมอถ้าเราไม่หวังผลประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนหวังผลประโยชน์ของส่วนนวมอันนี้ก็ถือว่าเรามาทําบุญ นับใช้สังคมเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญสิทธิประกรันในกันนับใช้นับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะที่เราเป็นสาวะเราก็อาจจะช่วยมีมีกําลังมีอํานาจที่จะพอจะทำอะไรที่คนธรรมดาไม่สามารถทําได้กนะ็ขอเรามุ่งไปที่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของผู้อื่นนะอย่าไปหวังเอาผลประโยชน์ใส่ตัว ถ้ามันประโยชน์ใส่ตัวแล้วมันมันจะยึดติเพราะมันพอมันได้แล้วมันก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆพอสูญเสียตําแหน่งไปมันก็จะเสียใจแต่ถ้าเราทําเพื่อประโยชน์ของผู้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนนไม่มีก็ไม่ทำไม่ก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ได้ประโยชน์เราไม่ได้ไม่เสียกับกั บ, ก, บกับตําแหน่งนี้กับการกระทํางานในตําแหน่งนี้เราทําเพื่อประโยชน์ของผู้นี่ก็เป็นการทําบุญให้เราทําบุญกัน อย่างที่อยากจะมาแสดงทำให้ญาตอยู่ฟังก็้วเราเก็มาทําไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไจากการมาคุยมาสอนนาธรรมนั่นถ้าจะยุยติเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่นี้เราก็พร้อมเสมอไม่ไมนรู้สเสียดายเสียใจเพราะเราไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการที่เรามาแสดงธรรมนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นว่าที่จะ ถ้าเราทําอะไรเพื่อประโยชน์ของคนอยู่แล้วเวลาที่เราไม่ได้ทําเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเนี่ยพอเราสูญเสียมันไปเราจะเดือดร้อนเพราะเราจะขาดประโยชน์ทันทีมันมีที่วิธีแก้กับเรื่องราบยศสารเสวญสุขครูบาอาจารย์ท่านก็ได้รับยศนะหลวงตาท่านได้รับได้รับพระราชทานพระยศเป็นพระธรรมวิสุทธิมงคล ท่านก็รับแล้วท่านก็ทําประโยชน์ให้แก่สังคมไปต่อไปจะตั้งทันหรือไม่ตั้งท่านท่านก็ทําหน้าที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมไปเรื่อยๆเงินการที่ได้มามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับท่านเงินทองที่ญาติโยมได้มาท่านก็ไม่ได้เอามาทําประโยชน์ให้กับตัวเองท่านกเอาไปทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเอาเงินเข้าทางหลวงยัถ้าเราทําอะไรด้วย ด้วยความไม่ต้องการผลประโยชน์ใส่ตัวเราทำประโยชน์ให้แก่โลกมีหนทางาท่งานชอบพูดว่าสงเคราะห์โลกเราทํานี่เราทําเพื่อสงเคราะห์โลกอย่างนี้เวลาไม่ได้ทําเวลาไม่เวลาสูญเสียอะไรไปก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้คือวิธีที่เราจะปฏิบัติกับโลกกระทํารั้องสิก็คืออย่าเน้ะอมกมาให้มันเกิดประโยชน์กับเราก็แล้วกัน ถ้าเราเกิดประโยชน์กับเราก็แสดงว่าเราต้องพึ่งมันนะถ้าเราได้ความสุขจากมัมันก็ต้องพึ่งมันพอเราสูญเสียมันไปมันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากมันรับมาแล้วก็รับไว้เฉยๆจะได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้เอามาใส่ตัวยกประโยชน์ให้กับชุมชนต่อผู้อื่นไปทประโยชน์เพื่อสังคมัป อันนี้ใจก็จะไม่เสียใจเวลาพ้นจากตําแหน่งไปท่านบอกว่าให้ทําใจเราเป็นเหมือนใบบัวหยดน้ําบนใบบัวหยดน้ําก็คือโลกกระทำนิสัเวลามันสัมผัสกับใบบัวมันจะไม่สัมผัสปัญหากัต่ายใจที่ไม่มีความยินดีร้ากับราภยศนันเสงี่ยก็จะไม่สัมผาบ เวลาได้ก็ไม่ไม่ได้ดีใจเวลาเสียไปก็จะไม่เสียใจรู้สึกเเฉยตั้งแต่ต้นได้มาก็เฉยๆเสียไปก็เฉยๆถ้าได้มาดีใจเวลาเสียไปก็ต้องเสียใจถ้าดีใจมากก็ต้องเสียก็เสียใจมากดีใจน้อยก็เสียใจน้อยแล้วก็ ต้องรู้จักว่าสิ่งของมือมันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าไม่เสพมันได้ดีที่สุดแล้วได้ไม่ทุกข์กับการขอบพระคุณพระอาจารย์ครับโอ้ได้ปัญญาว่าครับรอาจารย์เนี่ยยังมียั ง, ย ง, ยงดีว่าเออจะคิดอย่างพระอาจารย์เลยครับว่าจะไปทําประโยชน์ให้คนอื่นครับพระอาจารย์ครับอืมตอนนี้เสียงชัดไหม เสียงพระอาจารย์ดูดูดูจะจะแผ่วกว่าครั้งก่อนๆครับผมอตอนนี้มันมีเสียงฝนตกอยู่ด้านหลังเลยเสียงคนมันดังกว่ามันก็เลยทําให้ไมโครโฟนมันต้องลดเสียงยลงเวลาเป็นประมาณนึงมันก็เลยทําให้เสียงเราพูดคล่อยคล้ายมากพอได้ยินพอได้ยินอยู่นะได้ยินครับอาจารย์ครับยังได้ยินยังฟังเข้าใจหมดครับผม อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์นะครับว่ารายการนี้เป็นเป็น first priority ของผมเลยครับพระอาจารย์ครับมผมจะไม่ทําอะไรก็ได้แต่แต่รายการนี้ผมขอขอโอกาสพระอาจารย์ทาต่อไปตลอดจนจนผมทําไม่ได้นะครับพระอาจารย์ครับยินดียินดีร่วมงานด้วยเพราะทาประโยชน์เพื่อสมมังคมไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อตัวเราเองครับผเราคุณหวอาจจะได้ประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังคําสามได้ยนินคาตอบเราจะได้ปัญญา แต่ตลอดรา่างนี้เราไม่ได้เลยพูดตามความจริงทำแล้วไม่ทําก็เท่ากันครับผมครับเพราพระคุณพระอาจารย์ครั บ, ร ม, าารรบมีคําถามที่เกี่ยวกับโลกธรรมมาเลยครับอาจารย์ครับบอกว่าเราจะอยู่ในโลกธรรมแปดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับก็ให้รู้ว่ามันมีเกิดมีดับอย่าไปยินดีแตบมันนะเวลามาก็อย่าไปยินดีเหมันนะเวลาไปมันก็จะไม่เสียใจอ้ยินดีก็แสดงว่าเรา รักมันชอบเพราะมันจางเราไปก็จะทําให้เราเสียใจสังเกตดูเศษของที่เราเสียไปที่เราไม่รักไม่ชอบนี่เราไม่เสียใจเลยใช่นะั้มเช่นของใช้แล้วพวกขยะอะไรเนี่ยเราไม่เสียใจเลยเพราะเราไ ม, มเา่เราไม่รักมันเราไม่ชอบมันเราต้องการกําจัดมันเพรงั้นพยายามมองทุกอย่างเหมือนเหมือนขยะก็ลกกะแล้วกันมองโลกธรรมเป็นหมือนขยะเวลาเราทิ้งมันไปเราก็จะได้ไม่รู้สึกเหงียดหยาม แต่ถ้าเราไปมองว่ามันเป็นเหมือนเพชรเม็นจินดาเป็นเหมือนทองมีคุนค่าราคาอันนี้แหละเวลาสูญเสียไปมันจะเศร้าสุดเสียใจในสายตาของผู้ที่มีปัญญามีธรรมนี่ท่านไม่ท่านไม่ต้องอาศัยโลกธรรมเป็นเครื่องอยู่ท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือความสงบของใจที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขของโลกธรรม ท่าก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องมีโลกกรรมเวลามีหรือไม่มีมันก็ไม่ต่างกันเพราะท่านไม่ได้อาศัยโลกกรรมมาเป็นเครื่องให้ความสุขแต่ถ้าเรายังอาศัยโลกกรรมมาฮะเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเวลามันไม่มีมันก็จะทําให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์อย่างนี้นต้องพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุข อยากแทนที่จะหาความสุขจากโลกธระมให้มาหาความสุขจากธรรมาหรือความสงบด้วยการปฏิบัติภาวานาจิตตะภาวานาจเจริญสตินั่งสมาธิทำจิตให้สงบจิตให้รวมเป็นหนึ่งพอจิตสงบรวมไป็หนึ่งแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขของโลกธระทก็จะไม่ยินดีกับความสุขที่จะได้จากโล ก, ก เช็นเหมือนว่าถ้าเราได้รถที่มีราคาดีกว่ารถที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องอาศัยรถที่เรามีอยู่ตอนนี้ามว่ามีใครก็เอารถใหม่ราคาแพงๆรถโร s ส o รอยให้เรามาขับใช้นี้เราขับรถธรรมดาราคาไม่กี่ตังค์อย่างนี้มีโร s ส o รอยมีทนขับรถบริการทหารยุิิลเราจะไปใช้รถคันไหนเรากระทำนี่มัน ในความสุขที่ต่ำกว่าความสุขที่ได้จากความสมงดจากสันติธรรมยังพยายามมาหาความสุขจากสันติธรรมแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเครื่องโลกกระทำ ต, อตอลอดไปอาจารย์ครับมีคาถามบอกว่าถ้าเป็นคนป่วยที่นอนติดเตียงไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วจะสามารถทำบุญได้อย่างไรครับก็ทำไม่ได้แนละ้วถ้าไม่รู้เรื่องก็พระพุทธเจ้าถึงส่นว่าอย่าประมา อย่าให้รีบทาเสียยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมเลือกความไม่ประมาทสูงให้คิดถึงหนสังขารหนึ่งของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแก่เจ็บตายเราเราอยู่ข้างหน้ามีความแก่ความเจ็บความตายเราเราอยู่ซึงไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เั้นตอนนี้มีโอกาสทำบุญได้ทันไรรีบทำํำเลยพอเราทําเป็นที่นะพอถึงเวลาที่เราไม่ได้ทําเราก็ไม่เป็นไรเนะพราะเราได้ทำสมบูรณนะ์ คุณรัชนีครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเก้าวหน้าจากการเจริญสติและเจริญปัญญาครับเราก็จะรู้ทันกิเลสเร็วขึน้นรู้ทันความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็จะสามารถระงับความโลภความโกรธได้เร็วขึ้นขอต่อเลยครับอาจารย์เราจะระงับความโกรธได้อย่างไรครับความโกรธเกิดจากความอยากความโลภเราอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เพราะเราไม่ได้เราก็โกรธขึ้น เน้นหน้าท้องการรักความกดก็ต้องรักความโลภความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งตา่างๆให้หาปลาได้ตามมีตามเกิดให้ใช้มากน้อยสันโดษให้ใช่สันโดษยินดีตามมีตามเกิดหาได้มากไดน้อยก็พอใจกับสิ่งที่เราหามาได้อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธใครอย่างถ้าเราไปหวังหลังหวังได้เงินเดือนหวังได้จากการขึ้นเงินเดือนจากจากบริษัทนี้ อบริษัทไม่ขึ้นเงินยือนให้เราเราก็จะโกรธบริษัทแต่ถ้าเราสันโดษยินดีตามมีตามเกิดบริษัทจะให้เราเงินเดือนเท่าไหร่เราก็พร้อมที่จะรับตามที่เขาให้าบางเดือนเนาอาจะลดเงินเดือนก็พร้อมที่จะรับเงินเดือนที่ถูกต้องสันโดษนี้ยินดีทั้งขึ้นทั้งลงได้ทั้งนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพยายามฝึกใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราจะไม่โกรธใคร คุณน้ำครับการเข้าสู่ความว่างได้แล้วเห็นทุกอย่างเป็นความว่างเปล่าเราไปไหนต่อครับมันว่างแบบไหนล่ะว่างแบบมีความสุขหรือว่างแบบไม่มีความสุขถ้าว่างแบบไม่ีความสุขมันก็มันก็ถามตัวมันจะไปไหนต่อมันแสดงว่ามันยังว่างไม่จริงถ้าว่ามันว่างจริงมันเจอความสุขแล้วมันก็ไม่ไปไหนนะมันขออยู่ที่นั่นนานๆพอเข้าสมาธิแล้วเจอความสุขที่เหนือกว่าความสุขจังหวงแล้วมันไม่ต้องการอะไรแล้ว มันต้องการที่จะอยู่กับความสุขนี้ไปให้นานที่สุดถ้าที่จะนาว่นาเหมือนกัคนที่เราเจอเจอคนที่ถูกสเปคเรานี้ที่เรารักเราชอบเป็นสุดหัวใจแล้วนี่เราจะไปหาอะไรก็แ่าเราจะไปหาใครก็แบบใช่ไหมเราไม่หาแล้วถ้าเรายังไม่เจอเราก็ยังสงสัยว่าเราจะไปไหนต่อดีแสดงว่าคําถามนี้แสดงว่ า, มามไม่ความว่างยังไม่ใช่เป็นความว่างของสมาธิไม่ทราบอยู่ความว่างอะไรก็ไม่ทราบ ถ้ามีนความว่าของสมาธิจิตจะมีเบกขามีความสงบไม่หิวไม่อยากอะไรอีกต่อไปมีความอ่ดความพอหลักการดูลมหายใจที่ถูกต้องตอนนั่งสมาธิต้องทำอย่างไรครับก็ดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกนุ่เหนือบริเวณสีปากขึ้นมาบริเวณที่ลมเข้าลมออกจะสัมผัสรับรู้ได้ก็เฝ้าดูอยู่ที่จุดนั้นอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออก แล้วก็ให้ดูแต่ลมอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการอย่างอืงอ่นที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีเสียงมาชวนเราไปให้ให้ความสัมสให้นใจหรืออาจจะมีความคิดอะไรต่างๆหรือมีอะไรต่างๆก็ตามที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราดูลมนี่อย่าไปสนใจทั้งหมดให้กเกาะติดอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวเพราะลมนี้เป็นเหมือนกับพาหนะที่จะพาเราเข้าสู่ความสงบถ้าเราออกจากลมไปรับรู้เรื่องอื่น มันก็จะมีการเราเอกจากพานะที่จะพาเราไปสู่ส้างสมดเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการใจเั่นต้องให้อยู่กับลมอย่างเดียวคุณมุกดาครับการดูแลพ่อแม่ป่วยเวี่ยงวีนควรตั้งจิตอย่างไรดีครับเมืคนป่วยก็เหมือนกับที่มันเหมือนคนเด็กก็แล้วแต่มันป่วยก็ย่อมมีอารมณ์ที่แปรปรวนโมโหง่ายไม่พอใจ ดูแลยากก็เหมือนเด็กนีเวลาเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กนี่มันจะร้องมันจะงองแงไงเราก็ไม่กรธเขาใช่ไหมเราก็ดูแลเขาไปด้วยความเามตตาพ่อแม่ก็เหมือนกันคนป่วยที่ที่ป่วยก็เป็นอย่างนี้แหละมีครับเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะวั่นไหวแปรปรวนได้ง่ายเอาใจยากดันั้นก็ต้องใช้ความเมตตาใช้ความอุเบกขา ถ้าทำอะไรให้เขาไม่ได้ก็เฉยๆไปเขาโกรธก็ปล่อยเขาโกรธไปทําไหนเราทําได้ก็ทําไปเรียนกลับเปีนถามพระอาจารย์เราเอาเงินให้แม่แล้วแม่ก็เอาไปทําบุญเราได้บุญไหมครับได้ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งแม่ให้เอาไปทําบุญเนี่ยถ้าไปบอกแม่แม่เอาเงินนี้ไปทําบุญนี้เราเราจะไม่เราจะไม่ได้บุญแล้วแม่ก็จะไม่ได้บุญ เพราะเราเราเราได้บุญแต่เราแม่ไม่ได้บุญเพราะเราใช้แม่ไปทําบุญแทนเราแต่ถ้าเราอยากจะได้บุญนะอยากให้แม่ได้บุญเราให้เงินแม่ไปนี่เราก็ได้บุญส่วนของเราละเราให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขให้โดยด้วยความบริสุทธิ์ใจและแต่นม่จะไปใช้ทำารก็ได้แล้วถ้าแม่จะเลือกเอาไปทําบุญแม่ก็จะได้บุญแต่ถ้าแม่จะเลือกไปซื้อข้าวซื้อของแม่ก็จะได้ข้าวได้ของ คุณตีครับให้เงินแม่ใช้ซื้อของกินที่แม่ชอบไปฝากช่วยค่ารักษาพยาบาลแม่สามารถอุทิศผลบุญให้พ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่ครับได้ถ้าเราถ้าเราซื้อของให้แม่ช่วยแม่นีนก็ทําบุญกับแม่มุนก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ ขอพระอาจารย์เมตตาให้ข้อคิดเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยแล้วท้อใจยามปฏิบัติครับก็ต้องขั้นตอนก็พยายามหยุดความคิดให้ได้ยหยุดความท้อใจด้วยการใจเริญสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธลดส่วนบนไปเพื่อให้ใจหยุดคิดถึงเรื่องความเจ็บไข้ได้ปวดแล้วอาการท้อใจก็จะหายไปแล้วพอเรา เรใช้ปัญญาต่อจะสอนใจบอกว่าร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งทั้งนั้ น, นแต่ว่าอาการจะรุนแรงมากน้อยก็อาจจะขึ้นกับบุญกรรมที่เราทํามาอาจจะไม่เท่ากันแต่ต้องเจอกันทุกคนและวิธีที่จะจถึงอันนี้ได้อย่างไม่ทุกข์ใจก็คือต้องยอมรับมันอย่าไปปฏิเสธอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างไปอยากให้มันหาย ดูแลได้รักษาได้แต่ถ้ามันยังไม่หายมันยังจะนอยู่ก็ต้องทำใจยอมรับมันอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายไปคุณปียพงศ์ครับเมื่อสักครู่ดูข่าวมีหลวงปู่ท่านหนึ่งเทศเรื่องอนาคามีกลับมาเกิดใหม่ได้ผมเลยเกิดข้อสงสัยจริงๆแล้วอนาคามีไม่กลับมาเกิดแล้วไหมครับคือยังกลับมาเกิดในทรมโลกไม่ยังไม่ไดุ้พ้อนออกจากไฟภพอี ต่พบนี้มีสามพบด้วยกันมีกามาพบพบของมนุษย์และเทวดานี้อภาภณนาคมมีจะไม่กลับมาที่กามาพบเพราะว่าท่านละกามได้หมดแล้วแต่ท่านยังไปติดอยู่กับรูปประชานะันรูปประชานีท่านก็เลยจะไปเกิดในพม่โลกมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุดทาวาสหน้าชั้น เป็นที่พระอนาคามีจะไปอยู่แล้วก็บรรลุเป็นผ้าหลังตามลําดับต่อไปดังนั้นท่านจะไม่กลับมานะบบมาเกิดในกาลมาภพแต่ท่านยังติดอยู่ในรูปภพหรืออมภพอยู่ที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราแต่เมื่อเกิดเวทนาร่างกายมันปวดจะวางจิตอย่างไรเมื่อกายยังปวดครับจะวางจิตเฉยๆให้รู้เฉยๆตแต่ว่าเราอย่าไปอยาก ความอยากนี้แหละที่จะทําให้ใจทุกทรมานไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายที่มันทําให้ใจทุกทรมานเพราะใจทุกทรมานเพราะความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป hm. ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิเราก็จะสามารถทําใจให้เฉยๆได้พอเกิดความเจ็บทางร่างกายเราก็รับรู้เฉยๆความทุกข์ทางใจที่เกิจดจากความอยากก็จะไม่เกิดก็สามารถจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายไปได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน คุณกะนบศรีครับชีวิตหลังความตายเมื่อตายใหม่ๆที่บอกว่าตายไปแล้วสามวันถึงจะรู้ว่าตัวเองตายระหว่างนี้จิตจะเป็นอย่างไรที่บอกว่าจิตสุดท้ายจะไปพบภูมิไหนครับเวลาเ่างกายตายไปก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับเราไม่รู้ว่าเรานอาหลับใช่ไหมเวลาหลับเนี่ยเราไม่รู้หรอกเวลาเราตายเราก็ไม่รู้ว่าเราตายไม่ว่ากี่วันก็เราก็จะไม่รู้ว่าเราตายคนที่บอกว่า ตายไปแล้วสามวันถึงยัรุงนี้ก็พูดโมเมต่ตอนทั้งไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนอยังตายเพราะใจไม่ได้ตายดวงวิญญาณนี่มันไม่ได้ตายมันก็ไปต่อด้วยการไปสร้างความฝันต่างๆในขณะที่ไม่มีร่างกายเ่น้เองถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญมันก็จะเอาเรื่องบาปม า, มาสร้างเป็นความฝันก็จะฝันร้ายแต่มีแต่เรื่องที่ฝันร้ายฝันไม่ดี มีแต่เรื่องทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญมันก็จะเอาเรื่องที่ดีๆมาฝันม า, มาทำเป็นเป็นความฝันให้ให้ใจได้เสงได้สัมผัส น, นี่คือช่วงที่เวลาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญกับบาปก็จะเป็นผู้ที่จะมาจัดการกับดวงวิญญาณให้ฝันดีหรือฝันน้อยฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันน้อยก็เป็นนบายและพออิทธิพลของบุญและบาปหมดกำลังยง มันก็จะมารับร่างกายใหม่เพราะยังมีกิเลสมีความอยากที่จะหาความสุขอย่างโลกกระทำอยู่ก็ต้องอาศัยการมีนางกายพอมาเกิดปั๊บพอได้น้ำกายพ อ, พ, อพอมาเกิดพอโตขึ้นมาปั๊บก็ไปห า, า, าลาบยศเสสริญสุด่อไปผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการเชิญพระมาสวดให้เขาเห็นแสงสว่างได้ไหมครับ มันอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะมีสติมีอะไรที่จะรับการสวดของพระได้หรือไม่การสวดนี้ก็เป็นการเจริญสติให้กับเขาให้จิตของเขาสงบถ้าจิตของเขาสงบเขาก็อาจจะคิดไปในทางมัญญาได้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาก็อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมปล่อยวางร่างกายง่ายก็ได้ อันนี้แล้วแต่สภาวจิตของคนคนป่วยว่าเขาอยู่ในระดับไหนคุณกัญญรัตครับการถวายหมูกระทะแด่พระสงฆ์สามเณรจะผิดไหมแล้วเราจะได้บุญไหมครับไม่ผิดหรอกถวายได้เป็นแต่ว่าพระสงฆ์บางลูปท่านอยู่แบบมากน้อยสันโดษเช่นชั้นฐันฉันในบาทนี้อยอโยมอย่างนี้มนเอา หูกระทะไปตั้งให้ท่า น, ท, า น, ท, านท่านก็ตั้งก็ตักใส่บาตรฉันของท่านในบาตรทั้งนนเองแต่ท่านจะไม่มานั่งนั่งโต๊ะแล้วก็ฉันแบบญาติโยมฉันกันครับแต่แต่ถวายเป็นหมูดิบย่างไม่ได้นะครับพระสังฆไม่ครับคือต้องเป็นอาหารสุกแล้วก็ไม่ควรให้พระไปคนทําครับถ้าพระไม่มีหน้าที่เที่จะปรุงแต่งอาหารอาหารนี่ควรจะ ท, ำ ท, ำทํำสาเร็จรูปเพื่อที่จะใส่บายแล้วก็ให้พระท่านฉันได้เลย แล้ต้องเป็นอาหารที่สุดเช่นถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์นี่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเนื้อแบบสุกๆเดืบดๆนี่ไม่ได้แม้แต่ไข่แบบสุกๆเดืบดๆก็ไม่ได้เช่นไข่ดาวอย่างนี้ก็ถือว่าผิดพระวินัยถ้าฉันของพวกที่ยัเป็นสุกๆเดือดๆครับการอุทิศส่วนกุศลควรอุทิศแบบเจาะจงระบุชื่อหรืออุทิศแบบโดยรวมครับก็แล้วแต่เราเราอยากอุทิศให้ใครแล้วก็ระบุไป ถ้าเราไม่รไม่ไม่ไมไมจอจองแล้วก็ออกทิ้ให้สรประสัททั้งหลายไปคุณเพิ่มศัก์ครับพระอารหันต์นิพพานแล้วไปที่เดียวกันหรือเปล่าครับคือพระอารหันต์ก็อยู่ที่จิตน่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนอุเบชนก็อยู่ที่จิตเนี่ยไม่ได้ไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพจิตจากที่จิตที่มีกิเลสมากายเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสเท่านั้นเอง อยู่ที่เดิมร้านอาหารไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปอยู่ชุดรวมกันในครอบงนี้ไม่ใช่ดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนจิตของพวาเราทุกคนนี่อยู่ในโลกทิพย์เรเรียกว่าโลกทิพย์เป็นคอบก็ได้แต่นิพพานหรือปุตตุชนนี่มันมันอยู่ที่จิตว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้ากำจัดกิเลสได้หมดก็จะเป็นเป็นนิพพานเป็นจิตของพาอาาระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า ถ้ายังมีกิเลสก็ยังเป็นจิตของปุถุชนจิตของปุถุชนก็ยังจะไปเวียนว่ายตายเกิดยังจะไปไปครอบครองร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆวนจิตของพระอรหันนี้ไม่มีกิเลสแล้วก็จะไม่ไปครอบครองร่างกายแค่นั้นเองไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เดต่อไปไม่มีร่างกายไม่ไปเกิดเป็นพรหมเปนอะไรทั้งนั้น คุณแม่มีอาการทางสมองบางครั้งต้องดูท่านรู้สึกผิดมากๆากบาปไหมครับมันทําไมต้องไปดูท่านด้วยพูดดีๆไม่ได้เลยเมตตาเราเมตตาแล้ ว, ลวพูดดีๆกับท่านยิ่งเป็นผู้มีก็คุณเราไปดูท่านมันก็เป็นการไม่ความเคารพแล้วก็เป็นการยกตนข่มท่า น, นต้องพูดดีๆเราต้องนึกเสมอว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้ท่านคนรับใช้ไม่กล้าด่าว่าเจ้านายเราไม่กล้า เจ้านายเ้านายจะเป็นยางไงต้พูดดีๆอย่าทำอย่างนี้นะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะ ค, คุณไวสิทธ์ครับโลกมีแตกดับและนรกกับสวรรค์มีแตกดับด้วยไหมครับนรกกับสวรรค์มันก็มีเกิดในดับตามอำนาจของบุญของบาปที่มีในใจของเราเนี่นะเวลาตายไปบุญที่มันมีมากกับบาปมันก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมา ถ้าบาปมีมากกาบับบุญบาปมันก็จะสร้างสวรรค์อัตสร้างนรกขึ้นมาจนกว่าอำนาจของบุญและบาปมันมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถสร้างสวรรค์บาปก็ไม่สามารถสร้างนรกเพราะนั้นนรกกับสวรรค์ก็จะหายไปใจเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทำอย่างไรที่พ่อยึดมั่นไม่ละ ว, วางในตัวเราเพราะห่วงมากก็ทุกข์มากครับก็เป็นเรื่องของท่านเนี่ยจะทำยังไง นอกจากว่าถ้าท่านถามถามว่าจะทํำยังไงเราก็บอกว่าให้ปล่อยวางให้มองว่าทุกอย่างเป็นของไม่เทียมต้องมีการท้าทายจากการเป็นธรรมดาแต่ถ้าท่านไม่ไปถามก็เราก็ทำอะไรไม่ได้จะไปสอนพ่อก็ไม่ดีเบางทีท่านก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องการจะฟังถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์เองเราก็ต้องเฉยเฉยไปเป็นเรื่องของท่านไปจน ก, กว่าท่านคิดว่าท่านมีปัญหา ถ้าท่านอยากจะมาถามเราเราก็ตอบท่านไปบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยมพระเจ้าสอนต้องมีการพัดพาดจากการเงินธรรมดาคุณเข็มจีลาครับไม่ได้ใส่บาทแต่ทาบุญบริจาคเงินซื้อโรงศพอันนี้สงต่างกันไหมครับคือบุญที่ได้ก็ไม่ต่างกันคือความรู้สึกในใจคือความสุขใจอิ่มใจนี่มันก็เหมือนกันแต่อันนี้สง ถ้าหน้ามันอาจจะอาจจะไม่มีคนให้อาหารเราก็ได้เราต้องหาหากินเองแต่เวลาเราตายมีคนมีคนหาโลกศพให้เราก็ได้ทำอะไรก็อาจจะได้อย่างนั้นกลับมาถ้าแม่ของเงินลูกบอกจะเอาไปทำบุญแล้วลูกให้เงินแม่ไปทำบุญแม่กับลูกจะได้บุญร่วมกันไหมครับ คือลูกจะได้บุญตอนที้ให้เงินไป ใ, ให้กับคุณแม่ไปแล้วจนบุญที่แม่ไปทํานี่เป็นของแม่ล้วนๆคนละบุญเงินคนละคนละตอนเงินแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันมีความ ร, รู้สึกสุขใจเห็นใจเหมือนกันอาจารย์ครับอย่างนี้เงินเท่าเดิมแต่ได้บุญสองเท่าสองคนเลยนะครับอาจารย์ตออสี่คนห้าคนก็ได้ถ้ามันถวายพระ <c oughs> พระก็ไปทําบุญต่อยพระก็ได้ครับยังยัง จา้คุณหมอบริจาคมาแล้วก็ไปบริจาคต่อให้โรงเรียนให้ทุนการศึกษากันแบบนี้เราก็ได้บุญเป็นทอดก็ถ้าเด็กเขาได้เงินมาแล้วก็ไปช่วยเหลือรุ่นน้องที่ยากจนกว่าเขาให้เขาได้มีทุนบ้างอย่าแงบบนี้เขาก็ได้เราก็ได้บุญมันได้กันเป็นทอดทอดเงินก้อนเดียวกันนี่สามารถเรียนเทียนได้หลายหลายรอบด้วยกัน คุณหนุ่มน้อยครับผมจะถามว่าผมจะปฏิบัติทําอย่างไรครับเพราะผมคิดไม่ออกครับว่าจะต้องทําอย่างไรครับเบื้องต้นก็หาการักษาศีลให้ได้ก่อนรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดแล้วก็ฝึกสติพยายามฝึกสติทําพุโทโธทั้งวันทั้งคืนได้ไหมหรือทําให้มากที่สุดเท่าที่ยังท่อ ง, ทงได้ตั้งแต่เนินตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทํำอะไรก็พุโทโธพุโทโธกันเรื่อยๆ แล้วพอเราเวลาเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็ทําพุทโธต่อไปแค่นี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วการที่เราเปิดวิทยุธรรมะเพื่อฟังเพื่อให้นอนหลับได้บุญไหมครับถ้าหลับก็ไม่ได้บุญเนี่ยการฟังธรรมนี่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็คือได้ปัญญาได้ความรู้แต่ถ้าฟังแล้วหลับมันก็จะไม่ได้ความรู้มันก็จะได้ปัญญานอนหลับ พรุ่งนี้จะเข้านอนโรงพยาบาลวันที่สองผ่าตัดอยากตัดความกังวลนั่งสมาธิอย่างวงเวียนอยู่ครับก็ยอมตายที่มันความกังวลก็หายอย่างมากก็แค่ตายคิดว่าเผื่อเผื่อหมอผิดพลาดขึ้นมาเราอย่างมากก็แค่ตายไม่ตายวันนี้ก็ต้องไปตายวันหน้าอยู่ดีงั้นถ้าปลงตายได้แล้วมันก็จะสบายใจไม่ไม่กังวลเก่าไรต่อไป คุณอรพินครับเจ้ากรรมในเวรในศาสนาพุทธมีจริงไหมครับคือเป็นคนที่เขามีปัญหากับเราไงชาติก่อนเราอาจจะทะเลาะกับเขามาไปทำร้ายเขาแล้วชาตินี้มาเจอกันเขาก็เลยพยายามเชียมาทำร้ายเรานี่แหละก็คือเจ้ากรรมในเวรของเราไม่ใช่เป็นปีศาจหรือเป็ น, นดวงวิญญาณอะไรเป็นคนดีๆนี่ที่เราเจอกันสังเกตดูเราเจอคนบางคนแล้วนี่ถ้าจะไม่มองหน้ากันไม่เด็ด ทำอะไรก็มักจะขัดกันขวางกันกันแกล้งกันอันนี้แสดงว่ามีเวรมีกรรมกันมาในอดีตในทางตัวกันข้ามถ้าชาติก่อนเคยทำบุญน่มกันเคยช่วยเหลือกันตอนนี้พอมาเจอกันก็จะชอบกันยินดีที่จะช่วยเหลือกันต่อไปมีทั้งคู่กรรมและมีทั้งคู่บุญเวลานั่งสมาธิมีง่วงเป็นช่วงๆเราจะได้บุญไหมครับ ถ้าง่วงก็ไม่มีสติก็ไม่ได้บุญความจริงนั่งถึงมยังไม่ง่วงมันถ้าจิตยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญบุญที่เกิดจากความสงบยังไม่ได้อาจจะได้บุญจากการที่เจริญสติมีความเพียรอันนี้ก็เป็นบุญคนละชนิด ก, กันคุณชนิดาครับฟังธรรมะและอ่านหนังสือธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมกันไม่สามารถทำสองอย่างพร้อมกันได้เพราะหนังสือบางเล่มอ่านต้องใช้ความคิดไปด้วยเพราะเข้าใจยาก แต่ชอบฟังธรรมะมากกว่าควรทําทีละอย่างถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าทําในอย่างที่เราชอบก็ได้ได้ประโยชน์เหมือนกันอย่างอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันฟังก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่แต่การประโยชน์มันอาจจะต่างกันเป็นถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราสามารถหยุดมานั่งคิดพิจารณาหรืออ่านซ้ําได้หลายอยกแต่ถ้าเราฟังธรรมะนี่พอฟังปั๊บมันก็จะผ่านไปเลย แต่ก็ได้อยู่อย่างว่าเรานั่งฟังเฉยๆไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้การบังคับให้ไปอ่านหนังสือมันก็จะฟังง่ายกว่าได้ธรรมะที่ง่ายกว่าก็คือเปรียบเทียบก็คือการอ่านหนังสือธรรมะก็เหมือนการกินอาหารเองส่วนการทงธรรมะก็เหมือนมีคนป้อนอาหารให้เราแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนแล้วก็เลือกเอาแบบนั้น เวลานึกถึงอาหารที่ชอบรู้สึกความอเนจอร่อยทันทีอย่างนี้เป็นรูปราคะหรืออรูปราคะครับเป็นเป็นราคะการมาราคะอาหารเป็นการมาราคะเป็นรูปเสียงกลิ่นรลรูปราคะนี้เป็นรูปประชานอารู ป, ป ร, ราคะนี้เป็นอรูปประชานซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสองแบบนี้ส่วนใหญ่ในโลกนี้จะมีแต่การมาราคะ คุณมีนาครับเวลาทําบุญจะชวนคุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมทําด้วยคุณแม่ก็จะตอบมาเสมอว่าสนใจทําบุญและบอกให้ว่าเอาเงินของแม่ที่อยู่กับพี่ชายไปทําบุญได้เลยแต่ดิฉันมักจะเอาเงินตัวเองออกให้แทนโดยไม่เอาเงินของคุณแม่เพราะขี้เกียจวุ่นวายแบบนี้คุณแม่จะได้บุญไหมครับถ้าคุณแม่คิดว่าเราเอาเงินของท่านไปทําบุญท่านก็จะได้เพราะท่านสั่งแล้ว ถึงถ้าเราไม่ทำตามท่านก็มันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับท่านแหะมันเกี่ยวกับเราแล้วเราเป็นคนที่ไม่ทำตามคำสั่งของแม่ฝันเห็นแม่ที่ลงลับไปแล้วท่านต้องการให้เราทำบุญให้ใช่ไหมครับก็ลองถามท่านดูสิบางทีฝันอย่างเดียวถึงมันอาจจะเราคิดถึงท่านมนาได้จะฝันถึงท่านได้แต่ถ้าฝันต้อมีการสนทนาเล่าว่าตอนนี้อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากอยาจะ ให้ช่วยเหลืออะไรหน่อยอย่านี้ก็อาจจะมันก็ไม่แน่นะว่าท่านมาหาเราจริงหรือเปล่าแต่โดยธรรมเนียมแล้วถ้าเราฝันเป็นคนตายล้วก็คิดว่ายกประโยชน์ให้ว่าท่านมาหาเราก็ากแล้วกันแล้วเราก็ทำบุญอุทิดไปให้กับท่านถึงความจริงอาจจะไม่ได้มาหาเราก็ได้เพียงแต่เราคิดถึงท่านแล้วเราก็ปรุงแต่งไปในฝันก็ได้คุณพีรพัฒน์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับถ้าเรามีสติและสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วความคิดยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ไหมครับได้มันถึงแม้จะมีสติมันก็จะมีความคิดได้แล้วแต่ว่ามีสติในระดับไหนถ้ามีสติระดับที่ทาให้ใจหยุดคิดมันก็เป็นสมาธิตอนที่อยู่ในสมาธิจะไม่มีความคิดแต่พอออกจากสมาธิมาเราก็ยังรักษาสติอยู่แล้วก็มีสติอยู่ เราก็ยังสามารถคิดอะไรได้เพราะกำลังสติของเราไม่เข้มข้นเหมือนกับตอนที่เราเข้าสมาธิทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีหลายองค์แต่ละองค์เป็นจิตเดียวกันไหมครับคนละองค์คป็นจิตกันเป็นคนละยุคคนละสมัยกันคือเป็นคนที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีปัญญามีบา ร, รมีที่สามารถขุดค้นพบวิธีการ ที่จะทให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่า้ตายเกิดได้ซึ่งก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆเหมือนคนที่นในโลกนี้เรามักจะมีคนที่คิดประดิษฐ์ของแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็เป็นคนละคนยังแต่มีความคิดปรารถนาที่อยากจะประดิษฐ์อะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นคนที่มีความปรารถนาที่อยากจะคิดวิธีการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจให้ยุติการเวียนว่า้ตายเกิด มันก็จะคนควาหาวิธีต่างๆจนในที่สุดก็จะพบมรรคแพบอริยสัจสี่คุณสุภาพรครับการฝึกใช้คำบริกรรมพุโทโธถ้าหลุดไปคิดเรื่องอื่นพอมีสติก็ดึงจิตกลับมาที่พุโทโธต่อการปฏิบัติถูกทางไหมครับเพราะตอนนี้สติไม่ต่อเนื่องและฟุ้งก้อนกลางเยอะครับถูกท่องแต่เพงต้องทาให้มันต่อเนื่องให้ได้ถ้ายังขาดตอนอยู่ โอกาสที่นั่งสมาธิให้สงบนี้มันก็ยังเป็นแบบได้ยากต้องให้มันต่อเนื่องไม่ค่อยไม่ค่อ ย, อยเผลอหรือเผ ล, อ, เลอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้มากได้ง่ายขึ้นได้ได้มากขึ้นคุณฟาฟาบอกว่าคนเสียชีวิตแล้วไปไหนครับคนเสียชีวิตก็นั่งกายก็ไปสู่ดินน้ำลงไปไปสู่เมนกลายเป็น อกลายเป็นขีเท่าไปส่วนใจนี้ไม่ได้ตายเปกับร่างกายก็จะไปสวรรค์หรือ ไ, ไปนรกต่อไปขึ้นอยู่ก บ, บุญก บ, บาป ท, ที่ทําไว้เป็นก บ, บุญที่บาป ท, ที่ทําไว้หมดกําลังลงก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่รอบหนึ่งคุณมาริสาครับทําไมการเจริญสมาธิภาวนาจึงมีอา น, นิสงส์มากกว่าการให้ทานครับเพราะความสุขมันมากกว่ากันไงถ้าเปรียบเทียบ ความสุขหรือบุญเนี่ยมันเป็นเหมือนธนาบัตรที่มีหลายราคาใช่ไห ม, มนะครับว่าใบมียี่สบาทมีห้าสิบาทมีร้อยบาทมีพันบาทเนีแต่มันก็เป็นกระดาษเข้ากันหมดใช่ไหมเปนม็นกระดาษเพียงแต่ว่าเิียงตัวเลขต่างกันนั่นเองบุญก็แบบนี้บุญที่ได้จากทานก็เหมือนกับธนาบาัตรใบละยี่สิบบุญที่ได้จากการรักษาสี่งก็เท่ากับธนาบัตรใบละร้อย บุญที่ได้จากการนั่งสมาธิก็เท่ากับธ ร, รบัตรใบละห้าร้อยส่วนบุญที่ได้จากปัญญานี่ก็เป็นธ ร, รบัตรใบลอย่างนี้เป็นต้นครับมีความสุขที่มีต่างระดับกันพ่อกับแม่เสียไปแล้วจะทําบุญอะไรต่อดีครับทําบุญกับพ่อแม่ได้ผลทันตาเห็นมากเลยครับห ม, มความว่าอย่านี้จะทําอะไรต่อ ก็ทําบุญถ้าอยากจะส่งบุญมาให้พ่อแม่ก็ทําบุญให้ทําบุญแล้วก็ส่งมาให้พ่อแม่อุทิศบุญให้กับพ่อแม่เขาเขาเขาหมายถึงว่าประมาณว่าเขาทําบุญกับพ่อแม่เขาแล้วได้เห็นผลเร็วครับเห็นผลบุญแต่ตอนเนี้ยพ in ่อแม่ตายไปแล้วก็เลยคิดว so um, in ่าจะทํำยังไงต่อครับอาจารย์ก็ไปภาวนาต่อถ้าอยากจะถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าถ้ามันรู้จะไปทําบุญกับใครก็ไปภาวนาไปปฏิบัติสมาธิ ค, คุณรอยแก้วครับความสุขจากภายในสุขจากสมาธิที่เย็นสงบมันรู้สึกยังไงครับอยู่ภายในตัวเราทุกคนเลยจริงไหมครับถ้าเทียบกับความสุขของประสบการณ์ในการใช้ชีวิตบนโลกมันต่างกันเยอะไหมครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่นอกห้องป่าประกาศกับอยู่ในห้องปาประกาศความสุขทางโลกก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่นอกห้องปาประกาศ ถึงแม้จะมีความสุขแต่มันก็ยังมีความร้อนอยู่แต่เวลาเราเข้าไปในห้องปรับอากาศนี่มันมีแต่ความเย็นแล้วก็มีความสุขอันนั้นแหละคือความสุขของสมาธิใจจะเย็นใงจะมีความสุขความอิ่มความพอแต่ความสุขของเรานี่มันเป็นความสงบเป็นความสุขเียวเดียวแล้วก็เกิดความรู้สึกวักขะว่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเวลามันหมดไปแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากความหิว เป็นความร้อนสงใจขึ้นมาทําให้ใจต้องดิ้นรอนคอยหาความสุขทางทางโลกอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขทางสมาธินี่มันจะทําให้เราอิ่มเราพอไม่ต้องไปดิ้ น, นรอนท้าอะไรอีกการใส่บาตรและโกรวดน้ําเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับก็เป็นการทําบุญอีกครั้งหนึ่งีครับทําบุญครั้งแรกก็คือทําบุญถวายข้าวของให้กับพระนึกถ่ายก็ได้ เราก็ได้บุญแล้วเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่น่งรับไปแล้วด้วยการอุทิศบุญด้วยการกวดน้ําจะกวดน้ําก็ได้ไม่กวดน้ําก็ได้การอุทิศบุญนี้สามารถทําได้โดยวิธีที่ไม่กวดน้ําก็ได้ไม่กวดน้ําก็ได้ด้วยการอุทิศบุญก็คือให้เราลึกภายในจิตใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่น่งรับไปแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่นงรับไปแล้วได้ คุณพงศกรครับผมอยากเป็นอมตะทําไมคนเราต้องตายด้วยครับผมไม่อยากตายตั้งแต่เด็กๆที่รู้ว่ามีการตายมันสลดใจมากแล้วมีสิ่งไหนที่เป็นการถาวรบ้างครับถ้าหากมีสิ่งที่เป็นถาวรทําไมจิตเราไม่ไปยึดสิ่งนั้นชอบมายึดแต่สิ่งชั่วคราวครับเพราะเราไม่รู้ไงเพราะเรา ม, มีโมหะวิชาครอบงำจิตเราอยู่ต้องอาศัยคนที่รู้คือพระพุทธเจา้าที่ทรงค้นพบว่าสิ่งที่เป็นอมาตะก็คือนิพพานนี่ คือการไม่มาเกิดเพราะมาเกิดแนละ้วมันจะต้องเจอกับความตายทุกครั้งไปพอไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีความตายตามมาจิตนี่แหละเป็นอมตะจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายแต่ยังมาพัวพันกับสิ่งที่ตายอยู่ก็คือร่างกายเราต้องเลิกผัวพันกับการมีร่างกายเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วจิตเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุก์กับความตายของร่างกายกต่อไป ให้อาหารน้องหมาข้างทางทุกวันทํามาแล้วสิบสองปีการให้ทานถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งได้บุญไหมครับไ ด, ได้มีความสุขใจด้วยเ่าเวล่อเาถ้ามีความสุขใจเห็นใจได้นอนก็คือบุญคุณเที่ยวไปเรื่อยครับพระใช้เงินทางแอปมือถือผิดศีลไหมครับในข้อที่ว่าพระห้ามจับเงินครับก็อันนี้ก็ต้องมาแปลความหมายกันทีนเพราะว่า สมัยนี้มันกับสมัยโบราณนั้มันไม่เหมือนกันสมัยโบราณนี้ถ้าแม่ต้องการให้พระครอบครองเนี่ยให้เก็บไว้กับตนเองเพราะมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ง่ายพอเกิดความอยากอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะใช้มันได้ง่ายกว่าถ้าตั้งเงินไปฝากไว้กับคนอื่นเวลาต้องการอะไรซึ่งถ้าเป็นความอยากที่ไม่ไม่ไม่ควรที่จะอยากวันที่ก็าถือเงินก็อาจจะแย้งกันด้ว่าพี่ดีนะเอาเงินไปซื้อเกมมาเล่นอะไร อันนี้มันก็จะเป็นเจตนาของพระเจ้าไม่ต้องการให้พระนี่ครอบครองเงินทองหรือใช้เงินทงนนอง้วยตนเองไม่ฝากเงินไว้กับคนอื่นซึ่งสมัยนี้เขาก็มีวิธีฝากเงินไว้กับคนอื่นเช่นฝากธนาคารเห็นไหมว่าธนาคารก็อาจจะไม่มาแย่งเราเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ตัวพระว่าจะรู้จักแยกแยะว่าการใช้เงินให ให้เกิดประโยชน์กับเกิดโทษนี้เป็นอย่างไรก็ประโยชน์กับตนเองแล้วเกิดโทยกับตนเองถ้าไม่ใช้ตามความอยากของกิเลสก็จะเกิดโทษถ้ า, าไปใช้เพื่อเพื่อธรรมะตามเช่นเอาไปทําทานนี้มันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดโทษนั้นจะจะให้ตอบว่าผิดหรือถูกใช้อันนี้ก็พูดไม่ได้มันอยู่ที่วิธีการใช้มากกว่าว่าใช้ในลักษณะใด ถ้าใช้ในการตอบสนองกิเลสตัณหาของผู้ใช้อันนี้ก็บการนี้ก็ผิดแต่ใช้ในลักษณะที่เป็นการทําบุญทําทานนี้ก็จะไม่ผิดทําไมเวลาที่นั่งสมาธิต้องร้องไห้ทุกครั้งเป็นโรคจิตหรือเปล่าครับไม่หรอกมันก็เป็นเรื่องจิตของเราที่มีปฏิกิริยากับเหตุการณ์ ต, รณต่างๆเหมืนกับเวลาที่เราเจอบุคคลนั้นเจออะไรบางอย่างที่ ที่เราสะกิดใจเราล้วก็จะเกิดน้ําตาไหลขึ้นมาได้คุณแพทครับปฏิบัติสติปัฏฐานในชีวิตประจําวันอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารู้สึกอยู่ไม่ใช่คิดว่ารู้สึกครับมันไม่ได้คิดดอกความรู้สึกถ้ารู้มันก็ต้องรู้สิมันไม่ความคิดกับความรู้มันคนละเรื่องกันการทําทานกับคนพิการได้บุญไหมครับ ได้ทำกับใครก็ได้ทั้งหมดกับที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ห ร, รือสัตว์เดล่ะฉันก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันคุณหนึ่งหรือไทยครับปวดหัวไมเกรน บ, บ่อยๆการนั่งสมาธิและเจริญภาวนาบ่อยขึ้นจะช่วยรักษาไมเกรนได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะเราไม่สามารถตอบได้ต้องถามคุณหมอเลยไหมหมอเป็นไ ง, งไมเกรนนี่มันจะ ทำงานด้วยการนั่งสมาธิได้ไหยอ่าผมผมยังไม่แต่ในความรู้สึกส่วนตัวในผมว่าได้ครับพระอาจารย์แ้่เพียงแต่ผมไม่เห็นรายงานวิชาการยังไม่เคยอ่านว่ามีครับพระอาจารย์ครับอืแต่แต่คิดว่าคน<ถ>จะมีอะไรจริงครับถ้าไมาเกรนมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนี่มันถ้าลองงับความคิดปรุงแต่งนั้นมันก็อาจจะระงับได้ถ้ามนมีจิตเป็นเหตุให้ทําให้เกิดไมเกรนขึ้นมา ถ้ามันเป็นเหตุอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับจิตมันก็การนั่งสมาธิก็ช่วยอะไรไม่ได้ขอโอกาสครับอาจารย์มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่านั่งสมาธิเนี่ยเขาลดอระบบประสาทอัตโนมัติได้อย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นความดันโลหิตอะไรอย่างเงี้ยจะเบาลงครับความเครียดน่าจะเบาลงเยอะครับอาจารย์ครับได้แต่ไมเกรนนี่มันมันเรื่องปวดไม่มันไม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเรื่องของอะไรนี่ไก็ละเรื่องกัน ครับผม น, น่าจะก็เลยไม่ยังไม่เคยเห็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนเลยครับอาจารย์ครับไมเกรนนี่คือการปวดศรีรษะแบบรุนแรงใช่ไหมใช่ครับมันเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองเลยครับอาจารย์มันจะเป็นทางด้านกายภาพก็ได้ไม่ทช่ทางทางด้านจิตก็ได้ครับมีคำถามว่านอนสวดมนต์ได้ไหมครับ คือท่านนอนมันจะเป็นท่าสบายแล้วมันจะนับส่วนไม่ได้มากเพรามันจะหลับจึงไม่นยิยมทําปฏิบัติในท่านอนเงนี้มันจะใช้นยิยมท่านั่งท่ายืนหรือท่านอนเนี้ยเป็นหลักครับคุณพีรพัฒครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับถ้าเรามีสติและสมาธิที่ที่ตั้งบ้านและแล้วความคิดสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ไหมครับถ้า ถ้าจิตยังไม่สงบเต็มที่ก็ยังมีความคิดเยอะแต่ถ้าจิตสงบเต็มที่จิตรวมเป็นหนึ่งสัตว์แต่ว่านี่ความคิก็จะหยุดไปถ้าเรานําชุดผ้าไตรให้ผู้ป่วยอธิษฐานบอกผู้ป่วยว่าเรานําชุดผ้าไตรานั้นไปถวายพระสงฆ์คนป่วยจะได้บุญไหมครับถ้าเป็นของของคนป่วยและคนป่วยเป็นคนสั่งให้เราจัดการเขาก็จะได้บุญคือไม่ต้องเกิดจากเจตนาของคนป่วยแล้วก็ต้องเป็นทรัพย์สมบัติของคนป่วย ถ้าเป็นของเราแล้วเราเพ่งแต่มาให้เขาจับแล้วยกว่านี่เขาก็จะได้เพียงแค่อนุโมทนาก็ได้บอกยินดีกับการทำบุญของเราไม่ได้เป็นการทำบุญของคนป่วยคุณประพันธ์ครับกา ร, รเผชิญกับความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ความแก่ความเจ็บค ว, จบควจบรจะเผชิญสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับก็เฉยๆใช้อุเบกขา ต้องฝึกสติต้องฝึกสตินั่งสมาีิให้จิตรวนเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะรู้จักวิธีวางเฉยได้เวลาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่ไม่เสียใจเพราะจิตที่สงบจิตที่มีอุเบกขานี่จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรเปิดฟังสวดมนต์แผ่เมตตาได้บุญไหมครับ คือบุญเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเราได้ความสุขจากมันหรือไม่นถ้าเราได้ความสุขมันก็ได้บุญถ้ายังไม่ได้ความสุขมันก็ยังไม่ได้บุญคุณเสรีครับได้ฝึกเจริญสติแล้วพบว่าเห็นความโกรธแต่ก็ยังโกรธอยู่ไม่ทันเจอบางเรื่องก็สวนไปอย่างรวดเร็วมาทราบอีกทีก็เลยเถิดไปแล้วพุทโธไม่ทันตอนนี้ฝึกแบบดูลมหายใจก่อนหน้านี้นฝึกแบบขยับมือครับ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องพยายามฝึกทั้งวันตลอดวันยกเว้นเวลาเราหลับเท่านั้นที่เราจะไม่สามารถฝึกสติได้ถ้าเราฝึกสติให้เข้มข้นต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นจะทันความโกรธบางทีก่อนจะโกรธก็รู้ว่า เ, ออเรากําลังจะโกรธแล้วก็วสามารถระงับได้ทันทีการชดใช้เงินแทนคนอื่นเขาเขาเขากู้เรา เราค้ำให้หมายความว่าเราเคยยืมเงินเขาชาติบางก่อนใช่ไหมครับก็าอาจจะมีมีมีส่วนก็ได้ชาติก่อนก็อาจจะเคยค้ำจุนเราแต่ชาตินี้เราต้องมาค้ำกล่นเขาก็ได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับเคยอ่านพระอาจารย์เทศว่าคนเรามัวแต่แก้ปัญหาให้คนอื่นลืมแก้ปัญหาให้ตัวเองปัญหาตัวเองในที่นี้คือกิเลสในใจใช่ไหมครับ ส่วนการแก้ปัญหาให้คนอื่นคือการแก้ปัญหาในครอบครัวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นใช่ไหมครับก็ปัญหาหลักของของเราแต่ละคนก็คือปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจที่คนอื่นแก้ให้เราไม่ได้นอกจากเราจะต้องแก้ของเราเองแต่บางทีเราก็ต้องเกี่ยวข้ อ, ของกับคนเรื่องบางทีเราก็อาจจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็าก้อรู้จักหยุดต้องรู้จักปล่อยวาง วิธีที่จะหลุดจากเจ้ากรรมนายเวรต้องทำอย่างไรครับก็ยังมาเกิดนะยังมาเกิดอยู่เจ้ากรรมนายเวรก็จะต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆเพราะแต่ละพบแต่ละชาตินี้เราไม่รู้เราสร้างเวรท่านกรรมไว้กับใครมากมายขนาดไหนคุณวิภาวันครับในกรณีที่เราจะสอบบรรจุงานข้าราชการเราควรพิจารณาหรือวางใจยอย่างไรให้ไร้ความกังวลมีสติและสงบที่สุดครับ ก็คือเราดูส่วนที่เราทําได้ Grant. ก็คือดูหนังสือเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มากที่สุดแล้วก็ทําส่วนเวลาให้เต็มที่แต่ส่วนของข้อสอบและของผู้ตรวจสอบนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เขาจะให้ข้อสอบอะไรมาแล้วเวลาเขาตรวจสอบเขาจะตรวจอย่างไรอันนี้เราไปกําหนดไม่ได้อันนี้นเราก็ต้องปล่อยวางทาให้ดีที่สุดในส่วนของเราส่วนผลของการสอบจะได้มากได้น้อยอันนี้เราอย่าไปอย่าไปอยากทั้งนึ้งอย่าไปอยากให้ได้ เพราะไม่อยากให้ได้แล้วมันจะกังวลกลัวจะไม่ได้ปล่อยให้ใช้คําว่าสัมฤทธิ์ยินดีตามตามีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแต่ส่วนของเราเราต้องทําให้เต็มที่ก็แล้วกันสวดมนต์ทุกวันครับชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ทําไมยังป่วยครับอ๋อแม้แต่พระเจ้าก็ยังป่วยเลยอย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างพวกเรา ทุคนแก่มาส้างตังทุกคนเหมือนกันหมดต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนคุณอ่างทองครับกาเบรียนถามพระอาจารย์ครับลูกของเงินการให้เงินลูกได้บุญไหมครับหรือว่าเป็นหน้าที่ครับได้นะจะได้น้อยกว่าให้คนอื่นเพราะว่าลูกนี้เป็นเหมือนตัวเราเนการทําบุญให้กับตัวเราแล้วกับลูกเราเนี่ยเหมือนก็ทําให้ทําบุญให้กับเราเองเราคนจะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่แต่ถ้า<ม>เราเอาเงิน ก้อนเดียวกันนี้ไปให้กับคนอื่นเด็กที่เด็กที่เขายากจนขาดแคลนนี่เราจะได้บุญมากกว่าให้รูปเราด่าคนอื่นคนเดียวด้วยคําหยาบผิดศีลข้อสี่ไหมครับคือศีลข้อสี น, นี้เพียงแต่ห้ามไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองส่วนการพูดคำหยาบนี้มันอยู่ศีลของผู้ของนักบวชเราเรียกเป็นอัตี่ศีลมันศีลขั้นสูง ไม่พูดคำหยาไม่พูดคำปามาอ่าไม่พูดคำเพอร์เจไม่พูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีอันนี้เป็นสินที่สินขั้นสูงเราเรียกว่าที่สินสาหรับผู้ที่มาเป็นนักบวชคุณซีครับถ้าเราเป็นคนขี้โมโหง่ายรำคาญคนที่เข้ามาเป็นคนชอบอยู่สงบเงียบแต่บางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้เงินมีภาระที่บ้าน ต้องแก้หรือปรับปรุงโดยการทําสมาธิทําบุญบ่อยๆจะช่วยได้ไหมครับคือความลำพังของเรานี่มันมักๆจะเกิดความที่เราไม่มีสันโดษไม่มีความยินดีตามมีตามเกิดเรายังยึดติดครับสภาพอย่างนั้นอย่างนี้อยู่พอเราสูญเสียสภาพอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็จะเกิดความลาคางขึ้นมาที่เราชอบอยู่อยู่อยู่อย่างสงบแต่พอต้องเจอคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ทําให้เราลำพังได้ เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยึดติดกับสภาพของความสงบถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องทําใจว่าช่วงนี้ทําไม่ได้ความไม่มีความสงบก็ต้องหัดปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยแล้วเราก็จะไม่นำขันต้องสั่นโดยกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เหมือนยินดีกับดินฟ้าอากาศอย่างเนี้ยฝนตกเราก็ยินดีฝนแดดออกเราก็ยินดีเราก็จะไม่รนำคาน แต่ถ้าเราต้องการแต่แดดอย่างเดียวไม่ให้มีฝนเพราะฝนตกเมื่อไหรเราก็จะราคาญขึ้นมาจนทีทําอย่างไรถึงจะไม่ต้องเวียนไหวในวัดตาสงสารครับก็ปฏิบัติทําให้ให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดไปจากใจเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะไม่มีการไเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปคุณพีเจอครับ หากเพื่อนสนิทมีแนวโน้มว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวแล้วเราคิดว่าไม่ดีเลยไม่อยากยุ่งแค่มองห่างๆแต่ถ้าเพื่อนคนอื่นรับรู้และสนับสนุนเพื่อนคนนั้นจะเป็นบาปร่วมไหมครับไม่ไม่มีไม่ได้ทำเองไม่ได้สั่งให้เขาทำก็ยังไม่บาปนี่แต่ว่าอาจจะไม่ขัดขวางอาจจะแสดงความยินดีสนับสนุนนี่ยังไม่ถือว่าบาป แต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าให้ไปทำํำนี้อย่างนี้เราก็จะมีบาปด้วยทำเองก็ดีแล้วสั่งให้คนอื่นทำก็ดีนี่ก็ถือว่าบาปเหมือนกันถ้าเราหลับแต่ไม่ฝันดวงจิตเราไปอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่มันไม่คิดปรุงแต่งเลยคุณอังหุนเปรี้ยวครับเคยเห็นคนออกสื่อว่าสามารถปฏิบัติธรรมจนได้ฌานสี่โดยใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีเป็นไปได้ไหมครับ แล้วแต่คนแต่ละคนมีบารมีมาไม่ไม่เหมือนกันบางคนเคยมีฌานมาแล้วเคยได้ฌานมาแล้วก็ไม่ต้องแค่เจ็ดนาทีก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ตอนที่ท่านเป็นเด็กนี้พอท่านนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ใต้โคนไม้โดยปกติท่านจะมีบาบาลวานคอยห้อมลอ้อมดูแลประเดี๋ยวนั้นบริวานต้องไปทํากิตอย่างหนึ่งเพราะพอปล่อยท่านอยู่ตามลําพังเป็นคนเดียวปั๊บเดียวจิตของท่านกาน็ุวมโดยที่ท่านไม่ต้องไปนั่งสมาธิเสียได้ซ้ําไป เพราจิตเคยรวมมาแล้วพอบรรยากาศรอบตัวมันทํามันเอื้อต่อการรวมมันก็จะรวมพราะนั่นองหรือว่าต่โนมันงั้นแต่ละคนนี้การเข้าสมาธิคนแต่ละคนนี้ใช้เวลาต่างกันบางคนบวชมาเจ็ดปีก็ยังเข้าไม่ได้ก็มีครับคุณติ้งครับความบังเอิญไม่มีในโลกใช่ไหมครับที่มาพบเจอกับเขาได้กําหนดมาแล้วใช่ไหมครับ ก็มันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุที่ทําให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเหตุที่ทําให้เขามาอยู่ตรงนี้ก็เลยมาเจอกัน <Yeah. S 1> เหตุ น, นั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีก็เราก็วิเคราะห์ไม่ได้บางทีท่านก็บอกเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปที่เราทํามาในอดีตมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พาให้เรามาพบกันในพบพบนิชานนี้ก็ได้คุณเป็กกี้ครับ กรรมที่เกิดจากความคิดอกุศลแต่ยังไม่เกิดการกระทำหรือกระหรือทำกระทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จจะส่งผลในบาปหรือยังครับยังไม่บาปแต่มันเป็นทำให้จิตใจไม่สบายจิตใจไม่คมีความสุขอกุศลคิดไปในทางอกุศลใจกระทุกนะแต่ว่ายังไม่ถ้ายังไม่มีการกระทำทางวาจาหรือทางกายก็ยังไม่มียังไม่เป็นบายังไม่เป็นเวยกรรมอร การทำสมาธิจำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวไหมครับถ้าให้เจ็ดรวมมันก็ถ้ายืนสงบรวมเป็นสมาธิก็ต้องนั่งอย่างเดียวคุณเต่าครับทำไมภพภูมิมนุษย์ถึงไม่รู้ถึงเหตุผลที่ต้องมาเป็นมนุษย์แบบต่างๆเหมือนภพภูมิอื่นครับทุกภพภูมิเขไม่รู้หรอกตอนมาเกิดได้อย่างไรต้องเป็นพระพระพุทธเจ้าท่านั้นถึงจะรู้ว่ามาเกิดได้อย่างไร อะไรเปนเหตุที่พราให้มาเกิดกันเมื่อสั์ตายร่างกายในโลกวิญญาณเป็นกายแบบไหนครับมันก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับไเราก็จะอยู่ในโลกของความฝันเนีันดีฝัฝนร้ายก็อยู่ที่บุญที่บาปแล้วที่เราทำคุณสุสมภะครับขอความเมตตาพระอาจารย์โปรดชี้แนะ ถ้าเรามีสติและสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วความคิดอ่อนนี่มันถามไปแล้วครับอาจารย์มันทําซ้ําคุณอมพรครับพระอารหันยังมีความโกรธอยู่หรือเปล่าครับไม่มีแล้วนองโกรธน้องหมดสิ่นไปจากใจของท่านนะบอกว่าเมื่อวานน้องชายเจอพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วเดินอยู่ที่บ้านทําไมเขาถึงยังไม่ไปไหนครับ ก็เป็นเรื่องของจิตเราอาจจะหลอน<ม>หลอกเราก็ได้ท่านนี่จริงต้องจับตัวเข้ามานั่งถ่ายรูป ก, กันเป็นหลักฐานแล้วก็มาแสดงให้เห็นในแบบว่าภาวะบางทีใจเราปรุงแต่งขึ้นไปเองเห็นอะไรไกลๆแล้วก็มั่คิดจินตนาการว่าเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ได้หากเพื่อนมีแนวโน้มว่าจะไปเกี่ยวข้อง จิตของพระอรหันต์และจิตของปุถุชนหลังจากไม่มีร่างกายก็อยู่ในใจตัวเองต่างกันแค่มีสังโยชน์กับไม่มีสังโยชน์แล้วจิตของพระอรหันต์ที่ไม่ส่งออกนอกคืออยู่กับตัวเองออฟไลน์ไม่ลิงก์กับผักผักผูกกับจิตของคนอื่นๆแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าพระอรหันต์ตอนมีร่างกายอยู่เวลาท่านพูดคุยกับคนทั่วไปสิ่งที่พูดคือขันที่ไม่มีใครยึดดำเนินการของมันไปเองเลยหรือครับผมยังมีความลังเลสงสัยครับ อ๋อใช่ก็ยังใช้ใช้สังขันคือร่างกายนี้ให้ทําอะไรตามคําสั่งของท่านได้งแต่ว่าท่านไม่สั่งให้ไปทําในทางที่ที่มีกิเลสแต่ไม่ได้ทําตามกิเลสไม่ได้สั่งให้ไปเที่ยวไม่ได้สั่งให้ไปดูหนังฟังเพลงหรือไปหาเงินหาทองอะไรแบบนี้แต่ท่านจะสั่งให้ไปแสดงธรรมไปโปลดญาติโยมที่นั่นที่นี่ไปเป็นทบาทเลยท่านยังสั่งได้ การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญหรือทำทานครับเหมือนกันเป็นการพูดง่ายๆคือเป็นการให้คำว่าให้ก็คือทานไม่ว่าจะให้กับพระสงฆ์หรือให้กับผุ้ทุชนธรมรมดาก็เป็นการให้เหมือนกั น, เ ป, นเป็นการทำทานเหมือนกันแล้วผลที่ได้จากการทำทานก็คือบุญคือความสุขใจอิ่งใจเหมือนกันคุณชัยวุฒิครับต้องการเริ่มต้นทำจิตใจให้สงบจะต้องเริ่มอย่างไรครับ เริ่มต้นด้วยการจัดนันสติเป็นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพยายามพุทสติทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วพอเรามานั่งมันก็จะสะบอบได้ง่ายไม่ฟุ้งซ่านจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้ทําสมาธิแต่ทําใจให้บริสุทธิ์ไม่โกรธไม่แค้นให้อภัยคือบุญใช่ไหมครับ ก็บุเนะี่ยเป็นแต่จะทํายา ก, ยากถ้าไม่มีสมาธิจะทําทไม่ได้คุณมารุดครับคนตายกลับบ้านต้องซื้อทางไหมครับถ้าไปตายที่อื่น mm hmm. เห็นเขามีการโยนเหรียญกันครับเขาไม่กลับมาบ้านแล้วนะ oh. เขาไปสืบพบพบของเขาต่อไปแล้วทางอำนาจของบุญของบาปเวลาที่พระอรหันต์ปรินิพานท่านวางจิตหรือกําหนดจิตไว้ตรงไหนครับ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าในรู้สึกในในในช่วงที่พรเจ้านิพพานนี้ก็มีภาพรูปหนึ่งท่านติดตามหรือจิดฉังพระเจ้าได้ท่านก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าต่อต้นเขาเข้าฌานไปก่อนเข้ารูปฌานแล้วก็เข้าไปสู่รูปฌานแล้วก็กลับลงมาจากรูปฌานมาสู่รูปฌานแล้วก็กลับมาสู่จิตปกติแล้วก็กลับเข้าไปในรูปฌานใหม่ แต่พออาจารูก ป, ประชานท่านก็ไม่เข้าไปในะรูก ป, ประชานท่านนิพพานระหว่างรูก ป, ประชานกับรูก ป, ประชานคุณแซมครับการลงทุนหุ้นในบริษัทที่ทําการค้าขายค่าสัตว์เหล้าจะเป็นการมีส่วนร่วมในบาปไหมครับถ้าเราได้รับประโยชนก์ก็ก็แสดงว่าเราก็มีส่วนร่วมในการทําบาปเนื่อ จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวชนะอะไรไม่เท่าชนะใจจริงหรือไม่ครับแต่ทํายากจริงๆครับจริงถ้าชนะใจได้แล้วจิต ก, ก็จะสงบจิต ก, ก็จะสบายถ้าแพ้ใจจิต ก, กันจะทุกข์จิตจะวุ่นวายคุณอังุ่นเปรี้ยวครับหากเราป่วยและรักษาศีลแปดแล้วมีคนมาเบรกว่ายังไม่ควรเพราะป่วยอยู่จะทําให้อาการป่วยซุดลงถือว่าคนมาเบรกขวางบุญไหมครับ เขาอาจจะไม่มีเจตนานจะขวัญมาได้เขาอาจจะแนะนำให้เรารักษาร่างกายไปก่อนก็อยู่ที่เร า, าเราจะทำตามเขาหรือไม่ถ้าเราไม่ได้นิพพานเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือครับถูกต้องคุณช็อกโก้ครับ หนูชอบตักบาตรทุกวันบางวันถ้าไม่ได้ตักบาตรหนูเอาเงินไปหยอดตู้บริจาคได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันเวลานั่งสมาธิเราพูดในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูลมที่ปลายจมูกด้วยถูกต้องไหมครับควาจริงเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ไม่ต้องมาดูลมก็ได้หรือ ด, ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุโทโธก็ได้แต่ถ้าจะพุโทโธด้วยดูลมด้วยก็ได้เหมือนกัน แต่คิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะดีกว่าเพราะจิตมันจะได้เป็นหนึ่งถ้ายังพูดโทด้วยดูด้วยมันจิตยังเป็นสองอยู่ทุกวันนี้รู้สึกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตต้องปรับวิธีคิดอย่างไรให้มีความสุขได้ครับเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้เจอบความสุขที่แท้จริงความสุขที่เรามีมัเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วครังชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุข ถอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงก็มาฝึกสตินั่งสมาธิกันดูอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงคุณเล็กครับถ้าเจ้ากรรมในเวรเราเสียชีวิตไปแล้วเราสามารถทําบุญส่งไปให้เขาได้ไหมครับแล้วเวรกรรมที่ทําต่อกันจะหมดไปได้ไหมครับอันนี้ไม่หมดเนาะแล้วอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาอยากจะยังจองเวรจองกรรมเราเราเปล่า เขาไม่ต้องการจองเวรจองกรรมมันก็หมดเ้ า, เ า, าก็ยังต้องการจองเวรจองกรรมอยู่มันก็ยังไม่หมดมีหมามาจากไหนไม่รู้มาอยู่ที่บ้านไล่ไม่ยอมไปเลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปเพี่งแต่ว่ไม่ได้บุญนะถ้าเลี้ยงเขาก็ได้บุญถ้าไปปล่อยก็ไม่ได้บุญแต่ไม่บาปคุณหนูครับ แม่ไม่ยอมรับว่าการตายไม่มีลำดับพอรู้ว่าลูกอาจจะไปก่อนก็ทุกวางไม่เป็นแนะนําอย่างไรดีครับก็อย่าไปแนะนําเลยเพราะเมื่อเขาไม่ยอมรับเราจะไปแนะนําเขาได้อย่างไรก็เฉยๆไปให้เหตุการณ์ความจริงเหมือนปรากฏขึ้นมาเองเวลาโยมนอนชอบฝันและละเมือเหมือนจริงมากเป็นเพราะอะไรครับและจะต้องทําอย่างไรถึงจะไม่ฝันครับ ถ้าไม่ได้กบความฝันเพราะเวลานอนหลับเราไม่มีสติควบคุมใจมันก็จะฝันไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำไว้คุณเต่าครับติดสบายควรฝึกกรรมฐานแบบไหนครับก็ถ้าติดสบายมันก็ฝึกกรรมฐานยากเพราะการฝึกกรรมฐานนี้มันไม่สบายมันต้องฝืนใจห้ามใจงั้นถ้าเรา ถาเราอากจะฝึกกรรมฐ า, านเราต้องอย่าไปติดสบายนั่นต้องหัดติดกับความไม่สบายบ้างเพราเวลาไปฝึกสมาธินี่เราจะต้องไปอยู่ที่ เ, ง, เงียบๆที่อที่อาจจะไม่ไม่สะดวกสบายทางด้านร่าง ก, กายไปอยู่วัดนี้วัดบางวัดชอ่ก็จะไม่มีเครื่องความสะดวกทางร่างกายแถ้าติดสบายก็จะไปไม่ได้ คุณเที่ยวไปเรื่อยครับอ่านธรรมะหลวงตาคนเราทุกวันนี้แบกสัญญาอารมณ์จนหนักคำว่าแบกสัญญาในที่นี้คือแบกคาว่าเขาว่าเราว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับก็แบบความจำได้ไหมายรู้ต่างๆที่เราจดจําไว้ในใจเราเนี่ยเราจะจดจําะไรไวาเราก็ไปแบกมันะไม่ปล่อยวางมันอนดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็ยังไปคิดถึงมันอยู่มันก็ทําให้เราอ่า ไม่มีความสุขทำอย่างไรเวลานอนจะแยกความจริงกับความฝันได้ครับอาจารย์ทำไม่ได้หรอกเวลานอนเ ร, อเราจะไม่รู้เวลาฟันเราฝันเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันเราจะคิดว่าเป็นความจริงในขณะที่เราฝันจะรู้ว่าเป็นความฝันก็แต่เมื่อเราเต็งขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้เราฝันไปนะ คุณซีฟครับมีญาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าเราให้เขาจบสิ่งของอ๋อนนี้มันคล้ายๆถามแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์ mm hmm. เมื่อได้สมาธิแล้วจิตมีความปิติมีความสุขมีอารมณ์เดียวแล้วทำไมจิตนั้นไม่มีกิเลสเลยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าสมาธินี้หยุดกิเลสได้แต่เป็นหยุดได้เป็นชัว่วคราวไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ทาลา้กิเลสตายคือสติเนี่ยเป็นตัวที่จะหยุดจิต ุกิเลสแต่พอสติอ่อนกําลังลงในในกิเลสมีกําลังมากขึ้นมันก็จะผลักดนันให้จิตออกจากสมาธิมาเพื่อไปทําอะไรตามความอยากของกิเลสต่อไปคุณปียพงศ์ครับกล่าวเยนพระอาจารย์ครับเวลานั่งฟังเทศของพระอาจารย์ผมจะตั้งใจฟังบางครั้งพลิ้ตามที่พระอาจารย์สอนแต่บางครั้งก็ฟังแล้วจิตใจสงบแบบนี้ถือว่าเป็นสมาธิได้ไหมครับจากการฟังธรรมครับ ได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิแบบจิตรวมยังเป็นสมาธิแบบอ่อนๆ อ, อ, อยูแบบเบื้องต้นอยู่อยู่ที่บ้านเดินไปในบ้านแต่ยังรู้ตัวเช่นซ้ายย่างขวาย่างหยิบจับของรู้ตัว ต, วตลอดที่เรียกว่าอิริยาบถย่อยเกิดอย่างนี้ได้ไหมครับได้อันนี้ก็เป็นการฝึกสติถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนังน้นเรื่องนี้นะให้อยู่กับอิริยาบถ ท, ที่เราบังทําอยู่ คุณเอกชัยครับเราจะมีวิธีสอนใจอย่างไรให้ทําใจยอมรับว่าเราจะต้องตายจากครอบครวัวที่เรารักอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับเดี๋ยวขออ่านทีนี้ทใจยอมรับทําใจยังไงก็มันก็ต้องพยายามนึกบ่อยๆแต่ถ้าบางทีนึกบ่อยๆแล้วยังไม่ยอมรับก็เพราะว่าใจเรายังไม่มีสมาธิน่นเอง มื่ไม่มีสมาธิกิเลสมันก็จะมีกําลังมากที่จะมาคอยขัดขวางไม่ให้ยอมรับความจริงอั่นี้ให้อยากอยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ใจยอมรับความจริงนอกจากการฝึกสอนให้ให้ไม่ให้หลงไม่ให้หลงแล้วก็ยังต้องไปทําสมาธิให้ใจนิ่งสงบเพราะฉะนั้นนะครับความความอยากที่จะอยู่ไปเรื่อยๆด้วยความอยากไม่ตายที่มันจะคอยมาขัดขวางไม่ยอมให้เรารับความตายนั่นเอง บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลได้บุญไหมครับได้คุณอมพรครับเวลาเราไปทําบุญวันพระเราจะปักปัจจัยที่ต้นพ้าป่าเพื่อทําบุญค่าน้ําค่าไฟแต่ไม่มีการถวายต้นผ้าป่ากับพระเราได้บุญไหมครับควรทําต่อไปไหมครับก็แล้แต่ว่าปัจจัยนั้นไปถึงวัดหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการให้ไปหรือเปล่า คุณลุงนภาครับถ้ามีคนทักว่ามีวิญ ญ, ญาณไม่ดีตามมาเราควรทําอย่างไรในทางสายพุทธที่แท้จริงครับก็เป็นการพูดของเขาเฉยๆไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธให้เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก่อนว่ามีวิญ ญ, ญาณมาหาเราตามมาจริงหรือเปล่าคุณอัญชลีครับถามสองข้อนะสาข้อนะครับข้อที่1สิ่งของที่ถวาย ใส่สำหรับสังฆทานถ้าเราถวายผ้าตายจีวรบุญนี้จะส่งผลให้มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ในโลกทิพย์ถวายพระพุทธรูปบุญกุศลนี้จะส่งให้มีแสงสว่างนําทางในโลกทิพย์จริงหรือไม่ครับมันก็ไม่แน่นะว่าของที่เราถวายนั้นมันจะไปกับเราในโลกทิพย์หรือไม่แต่สิ่งที่ไปก็คือบุญคือความสุขใจอห่มใจอันนี้มันแน่นอนกว่าส่วนของที่เราจะได้อาจจะได้กลับมาในโลกใน คบหน้าชาญหน้าเวลเรากลับมาเกินใหม่เราให้เสื้ อ, อผ้าพรไปแล้วก็ จ, จะมีคนให้มาให้เสื้ อ, อผ้าพรกับเราในคบหน้าชาญหน้าก็ได้เราให้อะไรไปเรามักจะได้สิ่งเหลนั้นกลับมาหาเราแต่ในโลกที่นี้เราก็จะได้ความสุขใจเห็นใจแล้วก็อาจจะได้ฝันดีก็ได้ฝันว่ามีมีเสื้ อ, อผ้าพรสวมสวยเอาไว้สวมใส่ก็ได้อั น, นี้อันนี้ตอบไม่ได้ว่า เป็นยังไงเพียงแับสันนิษฐานให้ฟังกันแ้ันเป็นอย่างนี้ข้อ2ครับบทสวดอาราธนาพระปริตแตกต่างจากบทสวดบทอื่นๆอย่างไรครับก็เปนเป็นเหมือนกับบัญชวนให้พระได้สวดบอกให้ท่านสวดบทพระปริตเท่านั้นเองก็เป็นเหมือนกับอัญเชิญเป็นบทสวดอัญเชิญมันเป็นบทสั้นๆไม่ยาวอุทิศบุญให้ผู้ร่วงรับหลังจากสวดมนต์กายทิพย์ได้รับไหมครับ ผู้กายเทพคือกายถ้ากายเทพคือใจของเราก็ได้เวลาเราสวดมนต์แล้วใจเราสงบใจเรามีความสุขการนั้นก็เป็นบุญส่วนผู้นองรับไปแล้วนี้จะได้หรือไม่ได้นี้เราไม่รู้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้อุทิศบุญด้วยด้วยการด้วยการสวดมนต์สอนให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญทําทานถ้าเกิดเป็นทุกข์เราไม่มีลูกดีไหมครับเราจะได้ไม่ทุกข์ทั้งเราและเด็กที่เกิดมาครับ ก็ดีพระพุทเจ้าเป็นบ่วงเป็นพาละเป็นความกังวลอย่างตก็เป็นความทุกข์คุณชาญยุทธครับการที่เราเอาวิดีโอทำไม้ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เรานับถือมาลงเฟซบุ๊กแล้วมีบางคนที่ไม่ได้นับถือเหมือนเรามาคอมเมนต์ว่าท่านไปในทางเสียเสียให้หายเราจะบาปไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอามาลงเขาก็คงไม่เห็นเราไม่ได้ว่าท่านครับ เราไม่บาปเราไม่ไดมีเจตนาที่จะให้เขามาว่าเพราอยากจะว่าก็เป็นเรื่องของเขาเองเรามีเจตนาที่จะเผยแผ่คุณธรรมความดีของท่านแต่ถ้ายเขาจะไม่เชื่อกับเรื่องของเขาที่เราห้ามไม่ได้ปัญหาของเราก็คือเราเราอย่าไปทุ่งอย่าไปโกรธเขาก็แล้วกันพระอาจารย์ครับปฏิบัติธรรมสมาธิระดับไหนถึงเจริญปัญญาได้ครับ ก็ยังต้องได้อับปนาสมาธิก่อนแล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จะมีกําลังที่จะมาพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วรับกับความจริงได้เช่นพิจารณาความตายแล้วก็จะรับความรับกับความตายได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ดับอัญปาสมาธินี้ใจีจะต่อต้านความตายอยู่จะไม่ยอมรับความตายถือศีลสวสดมนต์จเจริญอาณาปานาสติทําไมถึงไม่มีเพื่อนครับ อ่าเพราะามีการหาความสุขตามลาพังไ ม, ไม่ไม่ได้หาความสุขกับคนนั้นคนนี้ก็มันก็เลยไม่มีเพื่อนคนที่ไปทางนี้ต้องมุดคนที่รับความรับที่จะอยู่ตามลําพังไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวใครถ้าเกิดทําบุญให้ทานแต่เราเราไม่อุทิศบุญถือว่าเราได้บุญจากการอุทิศด้วยไหมหรือได้จากการให้ทานอย่างเดียวครับ ไดจากการให้ทานอย่างเดียวถ้าอยากจะไดจากการอุทิศก็ต้องอุทิศแทกับผู้ที่น้องรับไปแล้วด้วยถ้าเราขายสินค้าแล้วมีการบวกเพิ่มราคาสินค้าเพื่อเป็นการจ่ายค่าในหน้าบาปไหมครับไม่บาป เ, เป็นทุกข์จากการทำงานแต่เรายังต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอยู่เราจะมีวิธีช่วยบรรเทาทุกข์ได้อย่างไรบ้างครับก็ใช้น้อยๆกินน้อยๆ ให้ความมักน้อยสัมโดดอย่างพระเจ้าบอกเรื่องหาวิธีใช้ของฟรีได้ก็ก็จะทุกน้อยกว่าถามที่แล้วที่เล่ให้ฟังพระเจ้าสอนให้พระใช้ของฟรีออาหารก็ไปขอจากการมินนบัตที่อยู่อาศัยก็ไปอยู่ตามคนไม้อตามถ้ำตามเงื้อผาผ้าก็ให้ไปเก็บผ้าที่ห่อศพมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวร ย่ารักษาโรคก็ใช้น้ำปัสสาวะดองอผลไม้เช่นสมองเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดก็ดื่มน้ําดองปัสสาวะได้น้ําดองสมอดได้พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะไม่ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายก็พยายามใช้ของฟรีให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อย่าไปใช้ของที่ต้องเสียเงินอย่าไปใช้ของแพงๆใช้ของแพงๆก็ต้องดิง่นหลอนหาเงินมามาจ่ายใช่ไหม ถ้าเราสั่งปลามาย่างขายคนขายปลาต้องค่าปลาให้เราเราบาปไหมครับบาถ้าไปสั่งเขาให้ค่าก็บาปแต่ถ้าไปซื้อปลาที่เขาค่าแล้วมาขายไม่บาปอย่าไปสั่งตรงหน้าไป<ม>ที่ร้านหน้าดูว่ามีปลาตายไหมปลาที่เราต้องการถ้ามีตายแล้วเราก็ซื้อมาอย่างนี้อย่างนี้ไม่บาปคุณสุครับบุปการีต้องการทําบุญแต่ป่วยหนักมากและต้องใช้เวลาในการดําเนินการโอนเงินช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าท่านได้เสียชีวิตไปก่อนที่การโอนเงินจะสําเร็จท่านได้บุญเหมือนกับพี่รำเมื่อ ย, ยังมีชีวิตไหมครับยังไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้บุญแล้วพ อ, งอเงินจนสำเร็จไปตั้งใจทำความดีสอนเด็กด้วยเมตตาอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เด็กมีความโกรธพยาบาทจะเป็นเวรกรรมต่อกันไหมครับก็มีถ้าเราไปทําให้เขาโกรธแล้วเราต้องสังเกตด้วยว่าเขายินดีที่จะฟังในสิ่งที่เราจะสอนเขาหรือไม่ เราสอนแล้วทำให้เขากดแล้วก็อย่าไปสอนคุณคณิษฐาครับอายุห้าสิบกว่ากว่าถ้าออกบวชจะแก่เกินไปไหมครับคือมันไม่มีตายตัวใ น, นเรื่องของอายุมันอยู่ที่ว่าความพร้อมของเร า, เราพร้อมหรือไม่มากกว่าถ้าเราพร้อมที่จะบวชพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมอายุเก้าสิบก็บวชได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยอายุมากเท่าไหร่อายุยิ่งมาก อุปสรรคมันยิ่งมากขึ้นเพราะกำลังวางชาที่จะให้กับการปฏิบัตินี่มันไม่น้อยน้อยลงไปได้่อยๆแต่มันไม่ได้อยู่ที่อายุอย่างเดียวมันอยู่ที่ความพร้อมของใจแต่่าคนพร้อมอายุเก้าสิบก็บวนได้อาจารย์ครับทำไมตอนเช้าใจไม่สงบเหมือนเมื่อวานที่เราฝึกไว้ครับเหมือนมันเริ่มใหม่ทุกวันครับก็เราไม่ฝึกต่อไง มันเป น, นความการฝึกฝนเวลามันยังไม่ได้ไม่ได้มากพอที่จะทําให้มันข้ามวันข้ามคืนได้เราก็พยายามฝึกต่อไปอยู่เรื่อยๆให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นคุณม็อกคาถามว่ามีอนุโมทนาบุญแล้วมีอนุโมทนาบาปไหมครับไม่มีหรอกเพราะเราไม่ต้องการ ส, งส่งเสริมให้คนทําบาป เ, เราต้องการ ส, งส่งเสริมให้คนทําบุญ แต่คนใจอนุโมทนาบาปก็ม like, ีพวกคนใจร้ายด้วยกันเห็นใครเขาไปทําร้ายคนอื่นแล้วเชียวเออดีมากอย่างนีอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุโมทนาบาปส่งเสริมให้คนทําบาปส่งคนให้ตกให้ไปตกนรกมากขึ้นไม่ได้ส่งเสริมให้ไปสวรรค์อย่างนี้ใจเขาก็เป็นทุกข์ไอ้ใจเขาก็ไม่ด EM <w im. S 1> ีเหมือนกันใช่ไหมครับใจเขาอ็บาปด้วยเราก็ชอบการทําบาปเมื่อ เมื่อเข้าสู่นิพพานไปแล้วยังเหลืออาญาตนะไหมครับก็ยังเหมือนเดินอยู่คือขันคือรูปนามขันนี่ยังมีอยู่แต่รูปประขันไม่มีร่างกายไม่มีแต่ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่นำ ม, มาใช้งานนั่นเองมันเข้าอยู่ในสมาธิจิตนิ่งสงบไม่ปรุงแต่งไม่คิดอะไร คุณสมพร้อมครับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเวลาที่เขาทําชั่วเขาต้องรับกรรมเหมือนคนที่นับถือศาสนาพุทธไหมครับเหมือนกันทําบุญเขาก <Okay. S 2> ็ได้รับผลบุญเหมือนกันบุญกระบาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ศาสนามันเป็นเรื่องของเหมือนกับร่างกายของคนเราที่เจ็บไข้ได้ปวดไม่ว่าจะเป็นชาติไหนมันก็เป็นความเจ็บไข้ได้ปวด่วยเหมือกันเป็นโรคหัวใจมันก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกัน มีลูกที่เป็นเด็กพิเศษอายุ18ปีแล้วยังพูดไม่ได้ชาติที่แล้วมีกรรมอะไรใช่ไหมครับก็คิดว่าเป็นกรรมมาแล้วกันก็ ค, คงจะทำบาปอย่างนั้นอย่างหนึ่งมาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องความบกพร่องของร่างกายที่เราผลิตให้เา่าเขาก็ได้ซึมันไม่ได้มีเกิดจากกรรมบาปกรรมในอดีตเพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดการบกพร่องของการการผลิตร่างกายของเขาก็ได้ คุณปบียพรครับลําพังเพียงความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกไม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วและพยายามนั่งสมาธิให้จิตว่างเป็นสุ kn นา น, านๆจะไม่ต้องมาเกิดอีกได้ไหมครับนอกจากสมาธิแล้วต้องเจ ร, ร, ริญปัญญาเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจด้วยถึงจะไม่กลับมาเกิดได้ถ้าเพียงแต่นาลัสมาธิอย่างเดียวนี้ยังกลับมาเกิดได้อยู่เพราะสมาธิยังเสื่อมได้เพราะสมาธิเสื่อมกิเลสที่ไม่ได้ตายก็จะโผล่ขึ้นมา นึงใจให้กลับามาเวียนว่าตายเกินมปอีกมีคนว่าให้ร้ายเราพูดให้เราเสียหายแล้วพูดให้คนอื่นเข้าใจล่ะเราทุกข์ใจมากเลยทําอย่างไรดีครับเพราะเราอยากให้เขาพูดดีอยากให้พูดความจริงแต่คนบางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไปบังคับเขาไม่ได้เราต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้ากาบ ที่เราไปควบคุมมันไปได้ฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปน้ำจะท่วมก็ปล่อยมันท่วมไปน้อมใจของเราก็จะไม่ทุกคุณพีทครับกลับเรียนถามการที่เราตั้งใจฟังธรรมะทําให้จิตสงบทําให้อยากนั่งสมาธิและพิจารณาตามคําสอนที่ครูอาจารย์สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่ครับอ๋อยงังเราก็เรียกว่าเป็นการสร้างศรัทธา กศรัทธาจากการที่เราได้ยินได้ฟังทำแล้วทำให้เกิดศรัทธาอยากที่จะปฏิบัติต่อไปวิปัสนากรรมฐานนี่มันต้องอยู่ขั้นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนากรรมฐานเข้าสมาธิเพ่งกสินควบคุมอารมณ์ให้นิ่งได้ไหมครับ ก็การเพ่งกระสินก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้จิตใจ ส, สงบได้คุณคณิษฐาครับให้คนยืมเงินไปแต่เขาไม่ใช้คืนอ้างความจําเป็นที่ไม่สามารถคืนให้ได้เลยคิดว่าจะยกนี้ให้เขาเราได้บุญไหมครับถ้าเรายกนี้ให้เขาไม่ถือเท่ากอดเกลื อ, เ, อเขาเชื่อไปเราก็จะได้บุญเราใส่บาทกับพระที่ไม่สํารวมได้บุญไหมครับได้ คุณวันธนาครับการสร้างพระอบเพื่อบรรจุพระธาตุได้บุญไหมครับสร้างพบไม่เพื่อเป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นนะถ้าสร้างพระอบเพื่อให้เป็นของวัดไปเนี่ก็ได้บุญแต่ถ้าสร้างมาเพื่อามาเก็บไว้เป็นของเราก็จะไม่ได้บุญเคยเกือบเสียชีวิต 4-5 ครั้งแต่รอดมาได้ทุกครั้ง อย่างนี้แสดงว่ายังมีกรรมเก่าที่ยังต้องชดใช้อยู่หรือยังมีบุญที่รอดมาได้ครับไ ม, ไม่ถึงเวลาตายใช่มารัครับคุณขวัญตาครับเพื่อนทำอัตตวิบากกรรมแล้วกลับมาเข้าสิงคนต่างชาติและพูดคลายเจ้าตัวเป็นเรื่องที่น่าเชื่อไหมครับก็ต้องพิสูจน์ดูว่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้าเรายังไม่สามารถพิจุรได้ก็ฟังหูไว้หูท่านนึ่งสามีเป็นโรคสมองเสื่อมไม่อยู่นิ่งจะมีแนวทางให้มีสติได้อย่างไรครับก็ต้องเขาสนเขาต้องสนใจอยากจะมีสติถ้า ต, ตัวเองเขาไม่มีความสนใจก็ยากต่อการที่จะทำให้เขามีสติได้แต่เขาสนใจก็บอกให้เขาลองพุโทโธพุโทโธดูเรื่อย แต่ถ้าก็ไม่สนใจบอกเขาไปเขาก็ไม่ทำตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ยังไงคุณคิตตี้บอกว่ายังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเวลาฟังพระเทศจิตไปจับที่คำสอนแต่ก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโททำถูกหรือผิดครับผิดต้ององอยู่ที่คำสอนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปจับลมหายใจข้อคุณมณทิทครับ ให้คำแนะนำการปฏิบัติธรรมสาหรับคนเป็นอินทรู้ด้วยครับอินทรู้เป็นยินยังไงเหมือนกับชอบอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับก็ดีเลยคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็ปฏิบัติธรรม้ง่ายกว่าคนที่ชอบไปมีเพื่อนฝูงรอดอยู่คนเดียวจะได้สามารถจะไดสติได้ง่ายกว่าตาที่เราไปเกี่ยวข้องกับคน การสวดมนต์ในใจไม่ออกเสียงกับสวดมนต์เสียงดังได้บุญเท่ากันไหมครับหรือที่ว่าได้สติมากน้อยต่างกันน rinse. ถ้าสวดแล้วได้สติก็จะได้บุญถ้าสวดแล้วไม่ได้สติก็ยังจะไม่ได้บุญไม่ว่าจะออกเสียงหรือ ไ, ไม่ออกเสียงก็ต่างการใส่บาตรวันพระกับใส่บาตรวันธรรมดาได้บุญต่างกันไหมครับไม่ต่างกันหรอกบุญไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่การกระทําว่าทํามากทาําน้อยถึงจะต่างกัน คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับถ้าเราใส่บาตรกับพระรูปเดิมๆทุกครั้งเราจะได้บุญมากหรือน้อยกว่าเปลี่ยนใส่รูปอื่นบ้างครับได้เท่าเดิมถ้าเราปริมาณของการใส่บาตรเราเท่าเดิมมันก็ได้บุญเท่าเดิมไม่ได้จะได้บุญมากขึ้นก็นให้มากขึ้นโอ้นี่คนฟังธรรมเยอะเลยครับอาจารย์ขอโอกาสครับวันนี้คนฟังธรรมอยู่ในเฟซแปดร้อยี่สิบหกครับในยูหกร้อยเจ็ดสิบสี่ในครับ เกในติกตอกเจ็ดร้อยสามสิบสองครับรวมสองพันสองอสี่ิบเอ็ดคนครับพอาจารย์ครับก็ขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมหวังว่าคงจะนำไปสู่การได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมต่อไปการสนทนาถามตอบคำถามในวันนี้จะค็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ ก้วความสุขความเจริญก้าวหน้านในทำยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอันใดก็คงจะได้พบ ก, กันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าหมอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ